จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเษายนพุทธศักราช2 5 5พบตรงกับวันขึ้นส5ห้าค่ำเดือนห้าเป็นวันพระวันธรรมัสวนณะ วันฟังธรรมเป็นวันที่ ส, สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ทำภารกิจทำธุระที่พระบรมศาสดาได้มอบหมายไว้ให้ทำกันเพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อยกระดับจิตใจเพื่อสร้างความสุขความเจริญ เพื่อให้อยู่ห่างไกลความทุกข์ความวุ่นวายใจเพื่อให้ถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับผู้ทศศาสนิกชนนี้มีอยู่สองธุระด้วยกันเรียกว่าคันธะธุระและวิปัสนาธุระคันธะธุระก็คือการศึกษา พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างโจงแจ้งและนำเอาไปปฏิบัติคือคือวิปัสสนาธุระนำเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่คือหน้าที่หรือธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับ พุทธศาสนาชนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาสา ม, มนเณรหรือพระภิกษุก็มีหน้าที่อย่างนี้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าหน้าที่หรือธุระอย่างอื่นเพราะธุระอย่างอื่นนั้นเพียงแต่ทำให้เรา อยู่ดีกินดีมีความสุขไปเพียงแค่พบนี้ชาตินี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปความสุขต่างๆสมบัติต่างๆที่เราหากันมาได้ก็เอาก็จะหมดไปไม่สามารถนำติดไปกับใจของเราได้ไม่เหมือนกับ สิ่งต่างๆที่เราได้รับจากการทำธุระทั้งสองที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้นั่นก็คือคันถาธุระและวิปัสนาธุระเพราะจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวติดใจไปได้และจะส่งให้เราได้ไปสู่สุขติและได้ไปสู่การสิ้นสุด แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในที่สุดไม่มีธุระอันใดที่จะสามารถทำได้นอกจากธุระทั้งสองประการนี้เท่านั้นดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความ ส, สำคัญต่อการปฏิบัติธุรกิจทั้งสองชนิดนี้คันถะธุระก็คือการศึกษาการได้ยินได้ฟังเช่นในวันนี้ก็มีการ เทศนาอบรมสั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าการได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการทำคำธรรทุระเพราะก่อนที่เราจะนำเอาไปปฏิบัติได้เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องปฏิบัติอะไรต้องทำอย่างไร ถ้าเราไม่รู้เราก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆูจะไม่ได้ผลที่เลิศที่ประเสริญดังที่เราทุกคนปรารถนากันการศึกษานี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่หรือการถามทางจากผู้ที่รู้ทิศทางที่เราต้องการจะไปว่าไปอย่างไร อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ตะวันออกหรือตะวันตกถ้าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปอยู่ทิศเหนือแต่เราไม่รู้เราไปทิศตะวันตกทิศตะวันออกหรือทิศใต้เราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากผู้ผรู้แล้วเราก็จะ ไม่หลงทางเราจะได้เดินไปในทางที่ถูกที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราทุกคนปรารถนากันการฟังเทศฟังธรรมนี้จึงเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วจะไม่มีแสงสว่างนําทางเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งใน เวลากลางคืนถ้าไม่มีแสงสว่างก็จะไม่สามารถมองเห็นทางได้ก็จะไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างปลอดภัยต้องมีแสงสว่างนำทางจันใดชีวิตของเราก็เป็นการเดินทางเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เราเดินทางในที่มืดกันเราไม่มีแสงสว่างกันเราจึง เดินทางไปในที่เราต้องเจอแต่ความทุกข์ความวุ่นวายอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่ได้มีโอกาสในอดีตที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคําสอนเหมือนกับในปัจจุบันในอดีตเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดในภบน้อยภบใหญ่อย่างนับไม่ถ้วนมาแล้ว แลนะจะเป็นอย่างนี้ไปอีกถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาและไม่ได้นําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติแต่ชาตินี้เป็นโชคของเราเป็นลาภของเราเป็นบุญของเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคําสอนที่จะชี้บอกทาง สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการหลุดทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทางสู่สุขคติสู่ความเจริญสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ของพระนิพพานอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงต้องฟังเพราะถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่รู้ เมื่อเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดวันธรรมสวรรไว้ทุกทุกวันพระทุกเจ็ดวัรรนแปดวันหรือหวันทรงกําหนดวันธรรมสวระเช่นวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ญาติโยมได้ปล่อยวางภารกิจการ ง, งานทางโลกภารกิจธุรกิจที่ไม่สําคัญเท่ากับธุรกิจ ทางศาสนาแต่ก็มีความจำเป็นเพราะชีวิตจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาเยียวยามาดูแลรักษาธุรกิจทางโลกก็มีไว้เพื่อมาดูแลรักษาร่างกายของเราให้มีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูเพื่อจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายแต่ก็เป็นธุรกิจ สนับสนุนเท่านั้นเพราะการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เย็นเป็นสุขนี้จะไม่ได้ช่วยเหลือทางด้านจิตใจของเราเพราะงานสิ่งที่จะช่วยเหลือจิตใจของเราได้นั้นต้องเป็นธุระทางศาสนาคือคันถะธุระและวิปัสนาธุระดังนั้นเราจรึงควรรู้จัก จัดความสำคัญของธุระต่างๆให้แล้วก็ให้เวลาตามสมควรแก่ธุระนั้นๆนนธุระทางร่างกายก็เมื่อเราพอมีพอกินพออยู่ได้แล้วก็พอเพียงแล้วไม่ต้องไปอยากร่ำอยากรวยอยากมีสมบัติกองเท่าภูเขาเพราะจะไม่ได้มีประโยชน์มากไปกว่า สมบัติที่มีพอเพียงต่อการดูแลพออยู่พอกินมีมากไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้เอาสมบัตินั้นที่มีมากเกินความจำเป็นมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติกันก็มีอยู่สประการด้วยกัน คือให้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมสองให้ละบาปการกระทำความชั่วทั้งหลายให้หมดไปสามซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดชําระความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่สร้างความทุกข์สร้างภพชาติให้กับเรา นี่คือหน้าที่ของเราที่เราจองต้องจะต้องปฏิบัติตามเพราะถ้าเราปฏิบัติตามได้แล้วเราจะได้รับผลต่างๆเช่นนรกเช่นสวรรค์เช่นเช่นการไปถึงพระนิพพานนี้ก็อยู่ในการอยู่ในการปฏิบัติตามเพราะทาคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอน สิ่งต่างๆที่มีอยู่ให้เราได้รู้สิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีสิ่งที่ดีก็ทรงสอนให้เราเดินเข้าหาสิ่งที่ไม่ดีก็ทรงสอนให้เราเดินออกหา่างสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องนำมาทำให้แจ้งด้วยการเจริญวิปัสสนาทุระ คือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนว่ามีจริงนั้นคือเช่นนรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงกรรมมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงตายแล้วไปเกิดใหม่มีจริงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง มรรคผลนิพพานมีจริงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกอุปโลกสมมุติขึ้นมาแต่เป็นความจริงที่พวกเราสามารถทำให้แจ้งได้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการปฏิบัตินำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติ คือมาทำบุญให้ทานมาละบาด้วยการรักษาศีลศีลห้าศีลแปศีลสิบศีล2อรแล้วก็มาภาวนาทำจิตใจให้สงบและเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงเพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราหลงยึดติดอยู่เพราะถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็จะไม่สามารถ ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ต้องมีปัญญาที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่มีใครอยากจะยึดติดกับความทุกข์ไม่มีใครอยากจะยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีใครอยากจะยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเพราะสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากเราไปและเมื่อเขาจากเราไปเราก็จะต้องมีความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจนี่คือวิปัสสนาธุระถ้าเราปฏิบัติแล้วต่อไปเราก็จะเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นกรรม เห็นวิบากเห็นมรรคผลนิพพานไม่ไม่สุดวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจของสัตว์โลกนี้เองเพียงแต่สัตว์โลก ใจของสา์โลกนั้นมีความมืดปกปิดอยู่จึงไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสา์โลกได้เหมือนกับศาลาหลังนี้ในยามค่ำคืนถ้าไม่มีแสงสว่างเลยเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในศาลานี้บ้างแต่ถ้าเราเปิดไฟหรือถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันเช่นตอนนี้ เราก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในสารานี้ได้อย่างชัดเจนฉันใดสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่ามีจริงนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของสารโลกนี้ทั้งนั้นนรกสวรรค์บาปบุญมรรคผล น, ผนิพพานการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคน แต่พวกเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่มองกันเพราะถูกความหลงความมืดบอดหลอกให้เรามองไปสู่ที่อื่นให้มองออกไปข้างนอกมองไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วก็หลอกให้เราหลงยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะหลอกให้เราคิดว่าเราจะมีความสุข จะมีความปลอดภัยจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะแต่ความจริงเป็นอย่างไรบ้างทุกวันนี้เราปลอดภัยจากความทุกข์ความวุ่นวายใจหรือเปล่าเรามีความสุขจริงๆหรือเปล่าหรือเรามีแต่ความทุกข์ความกังวลความห่วงใ ย, ยกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะเราไม่คิดกันเพราะกิเลสคือความหลง ไม่เปิดโอกาสให้เรามีเวลาได้คิดกันมันจะคอยหลอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีคนนั้นดีคนนี้ดีออกไปเที่ยวดีจะมีความสุขออกไปเดินไปรับประทานไปดูไปฟังจะมีความสุขมันจะหลอกเราอยู่อย่างนี้ไปตลอดเวลาจนไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดเลยว่า มันดีจริงหรือเปล่าถ้ามันดีจริงทําไมเรายังต้องมาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจมาทุกข์มากังวลกับเรื่องราวต่างๆทำไมเพราะว่าเราถูกหลอกนั่นเองเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีจริงๆนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราถ้าเรานําเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เราจะเห็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ภายในใจของเราเราจะได้แยกแยะส่วนต่างๆออกจากกันได้สิ่งที่ดีเราก็เก็บไว้แล้วสร้างให้มีมากยิ่งขึ้นส่วนที่ไม่ดีเราก็ทาลายมันกำจัดมันให้หมดไปจากจิตจากใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พูะเจ้าทรงสั่งสอนนี้มีอยู่ในใจของเรา นรกก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่เองเวลาที่เรามีความทุกข์รุวมร้อนในจิตในใจนั่นแหละเรากำลังอยู่ในนรกเวลาที่เรามีความสุขใจจากการทําความดีจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นจากการที่ไม่ทําบาปทากรรมจากการฟังเทศฟังธรรมจากการทําจิตใจให้สงบจากการปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะพบกับความสุขเราจะพบกับสวรรค์ชั้นต่างๆจนไปถึงสวรรค์ชั้นพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจของพวกเราทุกคน <Yeah. S 1> อยากเข้าใจว่านรกหรือสวรรค์นี้เป็นสถานที่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงพบหน้าชาติหน้า มันอยู่ในใจของเรานี้ตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้กันนั่นเองหรือเราไม่คิดว่ามีก็ได้เพราะถ้าเราเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงๆในทางโลกเราจะไม่เห็นว่ามีนรกหรือสวรรค์เลยถ้าออกไปในอวกาศก็มีแต่ดวงดาวต่างๆเท่านั้นมีท้องฟ้ามีอวกาศอันยิ่งใหญ่ แต่ไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนางฟ้าไม่มีเทวดาเพราะว่าสถานที่ต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งของนรกหรือสวรรค์ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของพระนิพพานนรกหรือสวรรค์หรือพระนิพพานนี้ตั้งอยู่ในใจของพวกเราขณะนี้กำลังรอให้พวกเราเข้าไปหาเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของ เข้าไปเอามาเป็นสมบัติของพวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อตัดเพื่อปล่อยวางสิ่งต่างๆภายนอกให้หมดไปใจของเราก็จะเข้าไปสู่ภายในเข้าไปสู่สิ่งที่เลิศสิ่งที่วิเศษที่มีอยู่ภายในใจของเราตั้งแต่สวรรค์ขึ้นไปจนถึงพระนิพพานอยู่ในใจของเรานี้เอง เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําวิปัสนาธุระคือทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามีจริงนี้ให้แจ้งแจ้งภายในจิตในใจของเราด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นทุกๆวันพระก็เข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันมารักษาศีลกันมาทําบุญให้ทานกันมาตัด มาปล่อยมาลดมลละความยึดติดในสิ่งต่างๆภายนอกชเช่นสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาวันนี้เราแยกตัวออกจากเขาสักวันหนึ่งมาอยู่วัดมาถือศีลแปดไม่ดูไม่ฟังสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายนอกหันเข้ามาฟังเทศฟังธรรม แล้วหันเข้ามาหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจด้วยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำจิตใจให้สงบเมื่อสงบแล้วสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็จะแจ้งขึ้นมาในใจของเราเราก็จะได้บรรลุถึงผลอันวิเศษอันเลิศที่ พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุกันไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจของเราอยู่การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการคือทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมละบาปละความชั่วทั้งหลายชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเท่านั้นเอง ดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ท่านกํำลังทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยการเสียสละสมบัติเข้าของเงินทองเสียสละเวลาอันมีค่าเสียสละความสุขทางโลกที่พึงจะได้รับจากสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาบาเพ็ญรักษาศีล ละบาปกันไม่ทำบาปทำกันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็ดไม่เสพสุรายาเมาและอาบายามุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนชั่วเป็นมิตรความเกลียดครานสิ่งเหล่านี้เราต้องละให้ได้ละให้หมดเพราะถ้าเราละไม่ได้ มันจะทําให้จิตใจของเราเศร้าหมองมัวหมองจะทําให้ใจของเรากลายเป็นนรกขึ้นมานรกนี้เกิดจากการไม่รักษาศีลสวรรค์เกิดจากการที่ได้รักษาศีลการหลุดพน้นการไปสู่พระนิพพานเกิดจากการชําระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปด้วยการภาวนา ด้วยการทำจิตใจให้สงบเพราะขณะที่จิตใจสงบนั้นความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบลงไปด้วยความโลภความโกรธความหลงนี้ต้องอาศัยการทำงานของจิตใจอาศัยความคิดของจิตใจถ้าจิตใจหยุดคิดนิ่งอยู่ในความสงบความโลภความโกรธความหลงก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตเราสงบตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าไม่มีความโลภความโกรธความหลงเลยไม่มีความอยากได้อะไรเลยมีแต่ความสุขความอิ่มความพอเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นไปได้นานเท่านั้นเองมันสงบได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็ถอนตัวออกมาอีกพอถอนตัวออกมาแล้วมันก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว กิเลสก็จะฉวยโอกาสทํางานทันทีพอคิดถึงเรื่องนั้นก็เกิดความโลภความโกรธความหลงตามมาคิดถึงเรื่องนี้ก็เกิดความโลภความโกรธความหลงตามมาเกิดความทุกความกังวลความหุ้นวายใจตามมาทันทีถ้าเราต้องการกําจัดกิเลสในขณะที่จิตกําลังคิดอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญาการเจริญปัญญา คือต้องดึงจิตมาคิดในทางธรรมะอย่าปล่อยให้จิตคิดไปในทางโลกให้ลให้นำเอาจิตมาสมาคิดในความเป็นจริงของโลกนี้เช่นคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจมีเกิดมีการดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรไม่ดับสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับ ไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราไปเสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดให้ความสุขกับเรานี้สักวันหนึ่งก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราเพราะเมื่อเขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจหรือในขณะที่เขายังอยู่กับเราเราก็ต้องทุกข์ด้วยความห่วงใยด้วยความกังวลเวลาไม่เห็นหน้ากันก็จะรู้สึกห่วงใย กังวลว่าเป็นอะไรไปหรือเปล่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจะกลับมาหาเราหรือเปล่านี่เหล่านี้ก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นที่เรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่คิดกันและทรงสอนให้เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุต่างๆล้วนไม่ใช่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริง เป็นสมบัติสัตว์กันชมเป็นสมบัติชั่วคราวอยู่กับเราไปได้ในระยะหนึ่งอย่างมากก็แค่วันตายเท่านั้นไม่ได้ไปกับเราเมื่อเราตายแล้วสมบัติต่างๆนั้นก็กลายเป็นของคนอื่นไปเราก็ต้องไปข้างหน้าไปหาใหม่ดังนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่อยากได้ จะไม่ห่วงไม่กังวลกับใครทั้งนั้นเพราะคิดถึงใครก็รู้ว่าห่วงไม่ได้กังวลไม่ได้ยังไงยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายยังไงยังไงเขาก็ต้องเปลี่ยนไปจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็เป็นคนแก่จากคนแก่ก็เป็นคนตายไปถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์เราก็จะวุ่นวายใจจะเสีย อ, อกเสียใจถ้าเรารู้ทันเราไม่คิดเราไม่กังวลกับเขา ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามอัตภาพของเขาเราทำอะไรให้กับเขาได้ก็ทำไปช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปดูแลกันไปแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่ากับใครก็เป็นเช่นเดียวกันนี่คือปัญญาที่เราจะต้องเจริญอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา ที่จิตของเราออกมาจากความสงบเพราะถ้าเราไม่คิดแล้วจิตของเราจะหลงทันทีจะอยากให้สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอยู่กับเราไปตลอดอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปเขาดีก็อยากจะให้เขาดีไปตลอดซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันอยู่ภายใต้กฎของอดิจังคือความไม่เที่ยง ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยต่างๆแม้แต่ตัวเราเองก็ยังเปลี่ยนไปบางวันเราก็อารมณ์ดีบางวันเราก็อารมณ์ไม่ดีเราก็วังคับมันไม่ได้นี่คือความจริงที่เราควรคิดอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะสามารถหักห้ามหรือทําลายกิเลสตัณหาต่างๆได้ได้หมดสิน้นสามารถ กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจได้ทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นพระนิพพานขึ้นมาได้อยู่ที่ตรงนี้นั่นเองอยู่ที่การปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการคือการทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพอการละบาปทั้งปวงและการ ชำระจิตใจให้สะอาดบอยสุดกํากำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นจากจิตจากใจนี่คือทุระของพวกเราธุระที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นธุระที่สำคัญกว่าทุระอื่นๆทั้งหมดที่เราควรจะให้เวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะถ้าเราทำได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ความสุขมากขึ้นเท่านั้นและเร็วเร็วขึ้น เร็วขึ้นจนกระทั่งจะสามารถทำธุระนี้ให้สิ้นสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยจึงขอให้เรานำเอาธุระทั้งสองประการคือคันถะธุระและวิปสัสสนาธุระนี้ให้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดง